ฟิมะชูิกว่าดุดมิ่งเสียงดีว่าดุดมิ่สีัสียงดเสอยเย ง่ขึ้นอลอฮสุลลลอฮฺฺุอฺฺฺอฺฺอฺฺอฺฺอฺฺออ วะ س ت غ ف ر ونعوذ بالله من شرور ن ف س ن ا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له و م يضلل فلا هادي له و ش ه د ن لا ل ه ل ا الله وحده لا شريك له و ش ه د ن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك ص ب ح ن وب ا وبك م س ي ن ا وبك نحيا ว่าบิคานามุตุวายไลคานูชุจุบิคัลิมาติลลาฮิตามาติมินชัลริมา خلق بسم الله الذي الل لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من ا ل ك س a وسوء ا ل a ب ر i w ب shu'il kibri, ذ ا b b a u z ا b i k a ا i n azabim f i ل n a r i wa a في ب د ن ي وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله و ب ح م د ه عدد خلقه و ر ض ا ن ف س ه و ز ن ت أ ر ش ه و م د ا د ك ل م ا ت ه س ب ح م ا ت ب ح ا ل ل ه خ ز و م ا ت س ل ا م عليكم و ر ح م الله و ب ر ك ا พี่น้องที่ร่วมนิมมบที่มัสยิด องคที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับซิลอักราณนะครับที่อยู่ที่บ้านทุกทุกท่านนะครับด้ยความเมตตาของอัลเลาห์ซุบฮานะวะตาลาอัลเให้เรามีชีวิตอยู่นะครับอลเละห์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้และอัลเก็ให้เราตื่นอนขึ้นมานะครับ <c oughs> ฉะนั้นนี่เป็นนิอามะห์อันยิ่งใหญ่ ที่มุสลิมทุกคนจะต้องนึกถึงนะครับนึกถึงอ AH, ัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ให้เราอยู่แบบนี้เนี่ยด้วยความเพราะความเมตตาของอ AH, ัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และภาษาที่เราใ ช, านชา AH น 4, ้นะครับพูดชมเชยสรรเสริญยกย่องอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สีหา AH, ้าประโยคนะครับเช่น س ุ ح ا ن ه และก็อัลฮัมดุลิลลาห์ لا إله إلا الله الله أكبر سبحان ا ل م ل ك ا ل ق د س لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله بال إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علّك ุ ل شايع ق د ي ر นะครับนี่เป็นประโยคที่านนบีนะครับนาวมะอาจจะอ่านานีแหละเอาเป็นั คำพูดทีสส่สรรเสริญยกย่องชมเชยสะดงดีถึงความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮสุบฮานหฮวาตาดาการจำเลือกถึงอัลลอฮไปท้องกับมีประโยชน์เยอะที่อิมามอานเมื่อกี้เนี่ยเวลาตะกรูนูกัลลาดีนานาซุลลอตรงนี้แ ป, ป, ปลปว่าอะไรนะท่านทั้งหลายจงอย่าเป็น <c oughs> เหมือนกับคนที่ลืมอัลลอฮ นี่นอัลลอฮ์สั่งนักอภิธรราเแล้ว็นั่งฟังกันอยู่ใช่ไหมวลาตะกูนูคัน ล, ลารินานัสุลลอนาัซูเบวาลืมอย่าทาเป็นคนที่ลืมอัลลอ์ถ้าลืมอัล้อจะเป็นยังไงฟันซาฮุมอัมฟุซาฮุมเท่ากับเขาลืมตัวของเขาเองเห็นไหมคนที่ลืมลืมตัวเองจะดีหรือไม่ดีไม่ดี ฉะนั้นถ้าไม่ลืมตัวเองมีอยู่ทางเดียวนะครับให้นึกถึงอัลลอฮ์เท่ากับนึกถึงตัวเองนี่เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเราว่าถ้านึกถึงตัวเองมันึกถึงอัลลอฮ์กวเพียร์ที่นึกถึงอัลลอฮ์นี่บ เ, เท่ากับนึกถึงตัวเองแล้วทำด้วยนีลแหละทำด้วยนี่แหละขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องเรามา ครอบคัลกุรอานี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์เสร็จแล้วผมกลับไม่ทันไปอยู่หาดใหญ่กลับไม่ทัน <g ül> ก็เลยหยุดไปวันหนึ่งเพื่อให้พี่น้องพักผ่อนนะ <c oughs> เรามาถึงสุราลุกมาน า, าที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวันนี้นะครับประมาณเสียอายะห์อินชาอัาลลอฮ์ะนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องลุกมานว่าลุกมานี่สอนลูก ท่านลุกมาเนี่ยเป็นคนผิวดำตัวเตี้ยแล้วก็ริมฝีปากข้างบนข้างล่างเนี่ยหนาะๆนะถ้ามอถึองความรอนี่ยนะมันด้รอเลยและแต่ทำไมอลัลลอฮ์น่ะ <c oughs> นำเอาเรื่องของลูกมาเนี่ยมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟัง พ่อลูกมานเนี่ยเป็นคนที่อบรมลูกที่ดีที่สุดแต่ท <c oughs> ้านพ่อแม่ที่ที่ชมรายการอยู่เนี่ย <c oughs> ต้องนึกนะให้ดูตัวอย่างนะครับลูกมานที่เอาลอนเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังผู้ให้นบีเนี่ยมาสอนแล้วเราที่อ่านคุณอ่นานอัญาในเจอเราก็ต้องนึ ก, กว่าเออนี่ยเอาลอนเล่า AH นะพ่อแม่ที่ดีที่สุดถ้าจะสอนลูกเนี่ย ให้เอาคำสอนของลูกมาเนี่มาสอนลูกเรื่องที่หนึ่งอะไรบ้างครับลาตูชริกบิลลาต้องสอนคนในครอบครัวว่าเรื่องที่หนึ่งจะต้องไม่ตั้งพาคีกับอัลลออย่าไปคุยให้ลูกรู้ว่างานนี้จะสำเร็จนี่พ่อขอมานาแล้วนะไม่สำเร็จต้องไปหาโตตะเกียนะถ้าคุยอย่างนี้แสดงว่าเราในกำลังสร้างเรื่องชีริกขึ้นในครอบครัวแล้วพิษอย่างแรงเลยไปนอ คุยให้เมียฟังคุยให้ลูกๆฟังคุยให้คนในบ้านฟังคุยไปเพ้ออย่างนี้นะฉันยพ่อเดี๋ยวขออนุญามาทางนี้นไม่สําเร็จพอไปหาโตตะเกียกกลับมาสําเร็จนี่นะ่ะสอนให้ลูกทำเชลิคอย่าสอน <c oughs> ให้พ่อแม่เนี่ยอบรมลูกว่าลูกจะยังไงยังไงลูกอย่าตั้งฟาขีกับอัลลอฮ์เรื่องเรื่องใหญ่แนละ้วก็เรื่องที่สองที่ลูกมานสอนนะครับก็กคือ อายาที่14บ่นะว่าภาอินเดอินสันบีวะลิดฮิฮามลัดฮูมุฮูวะนนั่ลาวะนินเรื่องที่สองที่นบีที่ท่านลุกมานเน้นนะเรื่องการทำดีกับบิดามารดา <c oughs> แต่อายานี้นะครับเน้นว่าแม่นี่เหนื่อยเหนื่อยยังไงหลือพ่อก็เหนื่อยหาเงินแต่อัลลอไม่ได้ไม่ได้เล่าลุกมานไม่ได้เล่าเล่าดังแม่ พ่อแม่ตอนอุ้มคันเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าลําบากแล้วลําบากเล่าให้ลูกได้รู้ให้ลูกได้นึกถึงความลำบากของพ่อแม่นะครับแล้วก็แม่เหนื่อยขนาดไหนตอนมีลูกแล้วตั้งครันแล้วตอนให้นมอีกนะรวมแล้วในกี่ปีนะปูมสามสิบเดือนนะ่ะใช่ไหมก็ประมาณหลายปีนะให้นมสองปี ให้ลูกๆนึกถึงแม่ตรงนี้ <c oughs> นี่ความเมตตาของอรรรมเลยอถ้าอยางั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอแม่ลำบากยังไงนึกภาพไม่ออกอันนี้เล่าให้ฟังเลยไม่ต้องมานั่งใช้ปัญญาตัวเองอ๋อแม่อุ้มคันแม่ให้นมลูกอีกโอ้โหเราจะทรยศ์ต่อแม่มะเราไม่ได้อย่างเด็ดขาดจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามเชมาครับ แล้วก็ต่อมาเรื่องที่สามเรื่องที่สามเนี่ยถ้าหากพ่อแม่เนี่ยบังคับให้ลูกเนี่ยทําชีริกนะเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อเพราะเชื่อแม่แต่หากว่พ่อแม่เนี่ยบังคับให้ลูกฉันไม่ให้มรดกนะฉันมีมรดกอยู่หน้าสี่ข้อนเนี่ยห้าสาิไร่อะไรเท่าไรก็ตีราคาเอาใช่ไหมโอ้โหถ้าลูกนะ <c oughs> ไม่เชื่อพ่อแม่นะให้ทิ้งอิสลามนะทําให้ทิ้งนี่นะที่หน้าซีคนถึงไม่ให้ไอ้ลูกก็กลัวเลยเอาเอาเอา เ, อา เ, อาเอาแม่แ ม, แมตัวอย่างมีไหมทีเล่าใหฟังว่ามีท่านสะคนหนึ <c> ่ง <oughs> ในสมัยนบีเนี่ยมารับอิสลามพอรับอิสลามเสร็จแล้วคุณแม่รู้คุณแม่ก็ประท้วงโอดอะไรอดข้าวอดน้ำเพื่อจะให้ลูกเนี่ยทิ้งอิสลาม แล้วก็ลูกชายก็พูดว่าแม่เออถ้าแม่นี่นะมีมีชีวิตนะร้อยครั้งอดอาหารอดค่าอดน้ำเราก็ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ทำอย่างนี้อีกร้อยครั้งนะลูกจะไม่ขอทิ้งอัอิสลามเสร็จแล้วแม่ก็ต้องยอมลูก <laughs> นี่อ่ว่าอินเจฮะดะกาลาอันตุชริกะบีมาไลซาลกะบีฮิไงลจะ อย่าเชื่อพ่อแม่เรื่องเดียวนะเรื่องเชริกตั้งนั้นแหละแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยจะต้องอยู่กับท่านโดยดีไปมาหาสู่ท่านคุยกับท่านดีๆอย่าตะวาดท่านอย่าไล่ท่านมีเงินมีท้องให้ช่วยเหลือด้านการเงินร อ, อพี่น้องแล้วก็นั่งใกล้ๆท่านสเสมออ๋อรอนี่คาแนะนาของท่านทั้หมดเลยครับเอาต่อมาวันนี้เรื่องที่เรื่องเช่ยไเนี่ยเรื่องทีซี ท, ที่นะอ่า <c oughs> เรื่องเรื่องที่สามก็คืออะไรนะอย่าตั้งพาคีกับบอลล็อแล้วก็ให้ปฏิบัติดีกับพ่อแม่นะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องวันนี้อยาบุนัยอยอินนาฮอินตะกุมิสกอลหับบะติมินฮอร์ดัล ف َ ت ك ُ م فِي ص َ خ َ ر َ ا ٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إ ِ ن ت َ ك ُ م ِ س ْ ت ل قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في ا ل س م ا أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الحمد لله นี่เป็นความรู้นะ นี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของลูกมานว่าลูกมานสอนลูกอย่างไรมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนี่เป็นความรู้นะถามว่านาบีจะรู้ไหมเพราะนาบีไม่ได้จบอ่นหนังสือไม่ออกไม่เรียนหนังสือเลยเขียนก็ไม่ได้แต่ท่านความรู้ของท่านนาบีนั้นอัลลอฮ์เล่านะเป็นวาฮีเป็นกรูร์านกลุ่มลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมรรมัดสุลตานเอาดูความรู้มีอะไรบ้าง วันลูกมาสอนอย่างนี้ยาบูนยาดูสั์ก่อนนะบูนยาแปลว่าล ah ูกจะลูกที่รักอใครพูดนะลูกมาพูดกี่น้องดูนะดูสั์คํานะนะเรียกลูกเรียกยังไงอไอ้มัดเรียกเปล่าไม่ไมียาบูน yeah, ่ายาโอลูกจะลูกที่รักภาษาพ่อไหมพ่อม า, จากจะท่านพ่อแม่จะเรียกลูกต้องเรียกชื่อพ่ อ, พอ มุัม m m a d นูร์ทำมันเรียกไงมันครบนี่เป็นมารยาเขา อ, ข อ, อมาจะกุลอาเลยนะแค่นั้นเราเรียกลูกเเป็นอิบะดาดเหมือนกันนะถ้าเรียกลูกถูกผิอดอับดุลละมานเรียกออไอมานคนทั้งหมู่บ้านเลยเรียกไอมานตามเราหมดเลย <c oughs> มันอยู่ที่เราเราเรียกเรื่อของเราเรียกยังไงถ้าเรียกให้มันถูกต้องตามที่เราตั้งเชื้อตั้งกระแรกนะฮามิลลิลล์พี่น้องอย่าบูนัยอยา่าบอกว่าโอ้ลูกจ๋า อิน <In>, uh, <c oughs> แ ท, แท้จริงมันอ่าแท้จริงมันมั น, ม, นมันหมายถึงการงานที่ลูกทำเนี่ยนะอินตะกูถ้าหากการงานที่ลูกทํานั้นถ้าหากมิสกอล่าทำงานหนักมิสปอนเดวาน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับอะไรฮัมบะตินเท่ากับเมล็ดเท่ากับเมล็ดเมล็ดหนึ่ง มิงคอร์ดาลินมเมล็ดผักอ่าเมล็ดผักเล็กเล็กเดียวใช่ท่านลูกมารสอนลูกว่าลูกเอ้ยถ้าหากลูกทำความทำงานสักอย่างหนึ่งเล็กเล็กน้อยๆยเท่ากับมเมล็ดผักอธิบายง่ายนะเอาลาล่าให้ฟังนะมามาเลยนี่ลูกมารสอนลูกแบบนี้แล้วสอนดีมากเลยนะไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้ ทำเพียงเล็กน้อยหนักเท่ากับเมล็ดผักเพราะว่าเมล็ดผักก็ต้องเลือกโอ้รคิดว่าเข้านล็กๆมองมองไม่ก่ยเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเม็ดผักเล็กๆที่เราโยนอะไรหรือว่าเม็ดพริกใช่ไหมที่เรากรอบๆมาแล้วก็โยนโยนตามตามตามตามตามดินน่ะนั้นเล็กขนาดนั้นน่ะหรือเล็กกว่านั้นอีกก็ได้ใช่ไหม าาฟ้าจกุลฟสโซครอตินถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในโซครอแปลว่าหินโซครอเนี่แปลว่าหินหรือวาสา s น o n e นะโซคลอแปลว่าหินอยู่ในหินคําว่าหินเนี่ยอุลมะอธิบายอยู่ในภูเขาอืมหินภูเขาเนี่แหละอแต่หากว่าความชั่วหรือความดีที่ลูกทำํำแล้วก็ไองานอันนั้นอะเมล็ด น้อยเท่ากับมเมล็ดผักแล้วก็มันอยู่ในหินนี่สอนเรื่องอะกีด้หมดเลยใช่ไหมสอนเรื่องอะกีไดาว่าความดีหรือความชั่วที่ลูกทำแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในหินแล้วต่อมาครับเอาฟิสมาวาติเอาบปว่าหรือฟีไปวาา่าในอสมาวาตัวาชั้นฟ้าทั้งหมด ชั้นฟ้าทั้งหมดก็มีอยู่เจ็ดชัน้นคำว่าทำทำอยู่ในชั้นฟ้าที่นี้อธิบายอย่างนี้คำว่าฟ้าหมายถึงมันอยู่ไกลอยู่บนชั้นฟ้าเยังไงจะอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แสดงถึงความไกลของมันถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในหินแสดงว่าลึกลับอยู่ในภูเขาก้อนไหนก็ไม่รู้เห็นไหมนี่เป็นอักขีดานนะสอนลูกให้ใช้ปัญญาด้วยฉะนั้น ลูกมานสอนลูกอัลลอฮุาลาให้น บ, บีมุฮัมมัดฟังมุฮัมมัดเอดูลูกมานสอนลูกแล้วก็สอนละเอียดยืบเลยนะลูกจะทําความดีหรือชั่วก็ตามน้ำหนักของมันเพียงเล็กๆน้อยๆเท่ากับมเมล็ดผักแล้วก็ถูกเก็บไว้ไหนหินอยู่ตรงไหนของภูเขาก็ไม่รู้หรือฟิสซามาวา่าหรืออยู่บนชั้นฟ้ามาถึงความสูงของมันเนี่ยจะสูงขนาดนสูงเยอะอยู่แล้วเราเนี่ย เอาขึน้นไปข้าวฟ้าก็ลอเนี่ยนะความยาวประมาณเท่าไรห้าร0อยปีขึ้นห้ารอย่ะลงอีกห้าร้อยอ่ะเท่าไรพันปีอยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะจากนั้นความดีหรือความชั่วที่ลูกทำแล้วถูกเก็บไว้บนชั้นฟ้าหรือถูกเก็บไว้ไหนก้อนหินในภูเขาก็ตามเอาฟิลอาหรือว่าเก็บไว้ในแผ่นดิน แผ่นดินนั่นก็มีเจ็ดชั้นเหมือนกันอยู่ทั้งล่างเลยฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนของแผ่นดินจะอยู่ที่ไหนของชั้นฟ้าจะอยู่ที่ไหนในหินก็ตามยะตีบิฮ์ฮะโยะติบิวันนำมาอลัลลอฮฺจะนํามันมาให้เห็นในวันไหนไม่ใช่วันนี้นะจะนํามาให้คนนั้นเห็นในวันเกี่ยมัน อโล่ Allah, เนี่ยความรู้เนี่ยเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่หมายถึงความยิ่งใหญ่ของอโล่ไม่ว่าอัมัน่นความดีหรือความชั่วที่มนุษย์ทําเนี่ยจะอยู่ที่ไหนของโลกก็จะมีอยู่สามแหล่งที่ก็เล่านะหนึ่งอยู่ในก้อนหินอยู่ในภูเขาสองอยู่ในชั้นฟ้าสูงอยู่ในแผ่นดินลึกอยู่ในสามแหล่งนี้นะอโล่ Allah จะนําเอามาหรือพูดง่ายๆอะ่ะ ถ้าขนตาเรานี่นะอันหนึ่งอยู่บนชั้นฟ้าอีกขนหนึ่งอยู่ในก้อนหินอีกขนหนึ่งอยู่ในใต้แผ่นเดนอัลลอฮ์จะนํามาให้หมดนั่นแหละทั้งสามเส้นที่หาไว้นั่นแหละนี่ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาถลายท่นให้เราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะเยอนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบป่ะนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจอะไรได้ไหมหัวใจสงบเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่ก็หายนะ่ะ แล้วก็โรคซึมอะไรนะโรคซึมเศร้าก็หายด้วยไปเนาะนี่นเป็นความยิ่งใหญ่ที่เรานึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหุบตาแล้วย um าบุูไนอินฮาอินตะกุมิสกาลหับบะติมมิงคอร์ดัลลูกจ๋าลูกมันสอนลูกนะลูกเอ้ยแม่ว่าการงานอันใดมันจะหนักเท่ากับเมล็ดผัก มเมล็ดหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหินหรืออยู่ในชั้นฟ้ามาถึงความสูงนะหรืออยู่ในแผ่นดินอลัลลอจะทรงนำมันออกมาอาลัาอาลอลอัฺตกลงว่าความดีหรือความชั่วที่เราทำมาไวไปนี่หายไปไหนไหมไม่หายครับนี่ไม่หายครับต้องนึกเสมอเลยนะไม่หายเราไปแอบทำคนเดียว อยู่ในภูเขา อ, อัลลอฮ์นำมามาให้เราในวันเกียรมานี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อินนัลลอฮลาตีฟุนคบีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นละตีฟุนแปลว่าทรงรอบรู้อย่างละเอียดยิบละตีแปลว่ารอบรู้แบบละเอียดยิบเลยพี่น้องแล้วก็ต่อมาคาบีรุ่นทรงตรานักอัลลอฮฺอักบาตัสามาถนำมามา เสนอให้เราเห็นได้ในวันเตียมะอลลารออากบาทโอ้งั้นเราเนี่ยแอบไปทําความดีที่ไหนก็ตามแต่นนะอาร้อนํามาม า, มาชมหมดเลยในวันเตียมะอลลารออากบาทก่อนึกถึงการขอดุอาของลุงลูกให้กับพ่อแม่พ่อแม่บางคนพอฟื้นขึ้นมาในวันเตียมะเห็นสมุดบัญชีเนี่ยนี่ฉันไม่ได้ทนะําในความดีเนี่จําได้ไม่ได้ทํา ถามอลอเอามาจากไหนอ่ะอลอก็เล่าว่ากับลูกชายคุณนะตอนที่คุณจะตายคุณทิ้งลูกผู้ชายไว้คนหนึ่งแล้วก็ลูกคุณคนนี้นะเป็นคนดีอ่ะเขาขอดุอาให้กับพ่อให้กับแม่อยู่ตลอดเวลานี่คือรางวัลการขอดุอาของลูกให็นไหมไอ้น้องการขอดุอาอย่างเดียวอลอยอยังเก็บอยูในบัญชีหมดเลยนะ่ะที่เป็นรางวัลนันยิ่งอย่จาจ ก, การขอดุอาถึงพ่อแม่เป็นมังคังบต้องขอเยอะๆนะ ขอว่าไงรบบิฟิลลีวัลีวัลีด้ย่ะวาร์ัมฮุมะกรมารับบายานีสกิีรอพี่น้องเราขอตรงนี้น่ะที่ไหนได้มันไปนโฟในวันเตียวมากนูน่นอยู่ในสมุดมัญชีพ่อแม่เราโน่นโอ้โนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องแต่งงานต้องเลือกอยู่นะ <c oughs> จะให้ลูกเป็นลูกซอแร็เนี่ยต้องมีแม่ดีใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> พี่น้องเมื่อคืนเนี่ยมีงานระฟานแล้วก็เชิญไปบรรยาย มีอยู่ฮะดีสของน บ, บีสอนอย่างนี้นะ <c oughs> อ ด, ดุลยามาตานะ้าองโลกดุลยาใบนี้เนี่ยนะทุกรายการเนี่ยเป็นปัจจัยหาความสุขได้เลยแก้วน้ําใส่น้ํามาให้นี่เป็นความสุขเป็นปัจจัยโทรศัพท์เป็นปัจจั ย, ย, จจยสมุดเป็นปัจจัยเสื้อเป็นปัจจัยบ้านเป็นปัจจัยรถเป็นปัจจัย ส่วนปัจจัยที่ดีที่สุดอะไรรู้ไหมอิมัตอตุซล่ะฮะภรรยาที่เข้าใจศาสนาเี่ยอรลอยย่อกย่องให้เกียรติผู้หญิงขนาดไหนถ้าผู้หญิงหรือภรรยาเราเนี่ยเข้าใจศาสนาอย่างเดียวนี่นะบ้านมีบรารักัดหมดเลยอะภรรยาที่นึกถึงอ AH. ัลลอฮ์ภรรยาที่นมาโครบมเวลาภรรยาที่อ่านอัลกุรอาน ภรยาที่หูงข้าจะทํามหาธารอันบิสมิลลาภรยาที่ไม่เคยด่าลูกไม่เคยไม่เคยด่าสามีแต่จะอบรมดีๆภรยาที่มันจะลับ ก, กับญาติพี่น้องมันจะลับ ก, กับลูกๆอัลลอฮ์เนี่ยถ้าภรยาเป็นเข้าใจาศาสนาก็เรียกว่าสอนลิฮานี่นะทําให้โลกดุนยาใบนี้เนี่ยมีบารักะนี่นบีพูดอัลลอฮ์สั่งให้นบีสอนอยังมีเช้าน้นนวันนี้พี่น้องครับผู้หญิงเป็นยังไง ก็ต้องก็ต้องนึกนะงั้นลูกเราต้องขอทุกอาเยอะๆต้องเลี้ยงลูกให้ดีพี่น้องครับให้เข้าใจศาสนาอย่างเดียวที่จะค้าจุนโลกดุงยาใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ทําให้บ้านเรามีบารักัดรับธรรมนิลล่าครับพี่น้องอาธิท้องครับทีนี้อุลมะก็อธิบายอย่างนี้นะคําว่าอยู่ในหินเนี่ยหมายอยู่หมายหมายถึงว่ามันปิดกั้นอยู่หนาแน่นจนกระทั่งใครๆมองไม่เห็นแต่ Allah จะนําออกมา ที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยหมายถึงมันอยู่ไกลอัลลอฮจะนำาอามาที่อยู่ในใต้ดินมันจอยู่มืดแล้วมืดอกีกมืดแล้วมืดอกีกจะกี่มืดกี่มืดก็ตามแต่อลัลลอก็จะนำเอาออกมาเมื่อไรในวันกี่ามะครับตอนนี้ก็นำได้แต่มันผิดกติกาที่อลัลลอฮฺสัญญาไว้เท่นั้นเองนะครับ คำอธิบายของอาย่านี่อุลมามะก็แนะนำบอกว่าข้อที่หนึ่งอนะัลฮุสซาอัลโมรอกับติลละให้เราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะให้หัวใจเราได้โยมกับอัลลอฮ์เยอะๆในเรื่องเรื่องที่หนึ่งจากอาย่านี้นะเรื่องที่สองให้ทําแต่ของดีๆของชั่วอย่าทำทําตามที่นบีสั่งตามงานที่อัลลอฮ์สั่งและรูปแบบในการทําคือรูปแบบที่นบีได้ให้ไว้นะครับถึงแม้ว่าจะน้อย นะครับก็ทาความดีแต <ral ua. S 1> ่ทาสม่าเสมอนะทสม่าเสมออิชอรอครับเอาตมาอายาที่เจยาบุนยอิมิอละวะมรบิลมากรุฟวนฮะนิลมุนกรวับิรอัลมาอัซอเบก إن ذلك من عزم الأمور، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهاء المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ุลนี่งานงานหนักหมดเลยอาย่านี้อัลลอฮฺนำเอาคำพูดของลูกมามาเล่าให้นบีมฮัมมัดฟังคนในอดีตเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาอบรมลูกของเขาอย่างไงเรื่องที่ห้ายาบุไนย์ดูภาษาที่เรียกลูกเรียกลูกเพราะมากครับโอ้ลูกจ๋า อากยมิสซาลาในเป็นแฟนารนะ์นะเป็นคำสั่งนะจงดำรงไว้ซึ่งการนามาดนี่พ่อสอนลูกล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็คนที่อ่านกุรานวันนี้ก็ต้องนึกเอากุรานอายานนี้เขียนแปะไว้ข้างฝาผนังเลยหน้าที่ของพ่อต้องอบรมลูกให้หนึ่ง นำมาแล้วก็นำมาที่ไหนดีที่สุดพี่น้องรู้ใช่ไหม <laughs> มีคนอยู่เจ็ดจังพวกที่จะอยู่พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาบัลลังของอัลลอ์เลยหนึ่งในเจ็ดก็คือคนที่หัวใจของเขาโยงกับมัสยิดกอบุญมุลลคุนบิลมาซาหหัวใจที่โยงกับอัลลอ์โยงกับมัสยิด พอด้เวลานามานี่ถ้าตัวเองไม่ป่วยไม่กลัวฝนฝนไม่ตกพยายามมามาสยิบอกลูกไปมัสจิดเนี่ยลูกมานทำแบบนี้แหละอ่าแสดงว่าคำสอนนี่ยิ่งใหญ่นะถ้าไม่ดีเลาไม่นามาม า, ม า, ม า, ม า, มาให้นบีมันจะฟังนะแต่นั้นเรื่องที่หนึ่งลูกมานสอนลูกแล้วครับเรื่องที่วงที่ห้าแล้วทีให้นามาน ให้ดำรงไว้ซึ่งการอำมาให้ครบวันลเกี่เวลายุคใครยุคมันอ่ายุคของมุฮัมมัดนี้เท่าไรห้าเวลาในยุคก่อนนะั้นเราเอะไรเราไม่รู้เรื่องที่สองวะมุรบิลมาอูรุรออนี่งานจดีววะจงไรนะเชิญชวนกำชับให้ทำแต่ของดีๆ โอ้งานดวาวามีมาตั้งแสมัยนู่นลนบอีอาดม้นะนบีวนวลแล้วนะเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์อย่าทำชิริกอันงานใหญ่มากเลยนั่นนะแล้วก็เรื่องที่สามวันฮานนลมุงมารูฟแปลว่าการดีนะวะมุรบิลมารูฟจงอมารอมรรยาโมรุวะแปว่าจงสั่งชายนะครับจงอะไรนะ จงกำชับกันสั่งกันบอกกันเตือนกันให้ทำแต่ของดีดีดีดีดีดีอ๋อาาพา่อ พ, พูดอย่างนี้จะได้ประโยชน์แล้วนะลูกเอ้ยก่อนจะให้สาามนะให้ยิ้มก่อนแค่นี้แหละรางวัลเต็มเลยลูกยิ้มก่อนนะก่อนจะสลามกับใครนะ่ยยิ้มก่อนลูกเอ้ยก่อนจะเข้า บ, บ้านให้สาามอะไรกุมก่อนพูดแค่นี้แหละไป้เพอนเอ้ โลกบาบรรยากาศในชีวิตเต็มไปหมดแล้วก็อัลลอฮ์สั่งนะสั่งนบีนะเวลามีปัญหาในครอบครัวนี่นะให้พูดดีๆอย่าพูดตามอารมณ์อารมณ์มันสั่งอนะ่ะให้ดุให้ตวาดให้ดา่าด่าก็พิษจากนั้นเขาสั่งสามีนะเวลามีปัญหาในครอบครัวนะให้พูดดีก่อนถ้าพูดดีไม่เป็นให้นิ่ง อัลลอฮ์ไว้อ่านฮะดีเช็คฮะดีแลอัลล์อักบถ้าเราเดินตามสุนนะนบีทั้งหมดนี่ถามว่าภาษามีพระยาละลอะกัไมทละลาะตรงไหนอ่ะว่าคสั่งของอัลลอฮ์ผ่านนาบีมาให้ทาอย่างนี้นะทาอย่างงี้นะทาอย่างี้นะทอย่างนี้นะอัลลนะอ์อักนะบิ่งใหญ่จริง ๆ, ๆอา้าวข้อที่หนึง่งลุกมานสอนอัลลอฮ์นเอาความรู้ควารู้ลุกมานเล่าให้ดุมัดฟังหนึ่งตงนมาให้ครบสมัยนี้ ให้ครบวันละห้าเวลานมาที่ไหนทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงอัลาน์ต้องนึกมัสยิดไว้ก่อนเป็นเป็นยะมะข้อที่สองจงกำชับกันให้ทำแต่ของมะรูปหมายถึงของดีๆไอ้ของดีในี่คิดเองไม่ได้นะต้องอัลลอ์สั่งแล้วก็รูปแบบของใครนบีมุฮัมมัดคนเดียวคนอื่นไม่ได้เพราะอัลลอ์เป็นผู้ให้รางวัล นะครับและน บ, บีจะชพระาให้อีกถ้าเราปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีนะครับต่อมาข้อที่สามวันหาน้า n มุงกัวันห้าแปล ว, ว่าจงห้ามปรามด้วยยับยัง้งมุงกัดเรื่องชั่วๆเรื่องชั่วทั้งหมดนี้นะต้องออกจากปากเราด้วยนะท่ <c oughs> า น, นพอ่อต้องนึกเยอะรอัันจะต้องเรียนาศาสนาถ้าอย่างนั้นอบรมคนไม่เป็นอบรมลูกไม่เป็น ต้องฟังาศาสนาะจะได้อบรมลูกได้อบรมคนในครอบครัวได้เพราะศาสนานี่สอนหมดเลยนะให้ยิ้มก่อนแล้วคอยพูดคอยให้สาลามแล้วก็พูดจาดีๆแล้วก็อย่าส่งเสียงดังมุนเสียงลาโอ้โหมาเต็มเลยยงพูดเสียงอย่างเดียวนี่นะเดี๋ยวอธิบายต่อมีอีกแล้วก็เรื่องที่สามครับ รีบตีวาคลิฟลีคอยรอมินะผมนึกถึงภาพตอนที่หมู่บ้านฐานอุบานเลยนะอไฟไหมสองครั้งอ่ะแล้วก็เชิญมันไปทุกทีเราไปบรรชูนหน่อยให้กํำลังใจผมนึกตลอดเวลาไฟไหมสองครั้งอัลลอฮ์อุบานมันอัลลอฮ์ทดสอบสูงนะแต่วันนี้ทมเวลาดีมดล้ดีหมดเลยทำแล้วขอบคุณอัลลอฮ์พ่อโนอาห์นะอัลลอฮุมมะยุนีฟีมุซีบาตี วะคฤตลีคอยรอมมินเธอแปลว่าอะไรโอ้เอลอปรดประทานรางวันมาทดารางวันในความเดือดร้อนที่ฉันประสบอยู่แล้วก็ของตอบแทนของที่ดีกว่ามาแทนของที่เราหมดไปเอาไปดูสิเป็นวังเราี่หมู่บ้านท่านอยู่เนี่ยบ้านใหญ่เก่ า, ก า, กาใช่ไม่ใช่ต้องขอบคุณอา้าเลไปเนอะ นั่นปัญหาเดือนร้อนทั้งหมดถ้าเราสรบายนะเรานึกถึงน บ, บีเป็นแบบนะเรื่องเล็กหมดเลย น, นี้ขอพักคำนวบารรมไม่ทุเรศจังได้แล้วก็ได้หอพักใหม่มานะจัดงานคืนเดียแต่้สาล้านมาผมยังจําภาพได้ <ใจ S 1> <อ>ทั้งหมดเนี่ยนี่เตือนสติเราตลอดเวลาว่าอย่าตําหนิความลําบากอย่าตําหนิเรื่องเดือนร้อนอย่าตําหนิเรื่องนู่นเรื่องเรื่องไม่ถูกใจเราในต้องอดทนหมดเลยนะ่ะนี่เอเราสอนติวเตอร์พี่อุาอรา ฉะนั้นนำมาต้องอดทนไหมสองสองเชิญชวนคนให้ทำความดีต้องอดทนไหมต้องอดทนสกํกำชับคนหรือห้ามคนไม่ให้ทำชั่วต้องอดทนไหมและอดทนนี่แหละเป็นงานที่มีรางวัลตอบแทนจา ก, Allah, กอัลลอ์เยอะมากที่สุดเลยต้องขอด้วยด้วยนะ um ja อัลลอฮุมมัฟริกอัลัยนาสอบรออัลลอฮ์จะโปรดประทานอามันอามันนะอามันอดทนนะอ ด, นนะอดทนนะเป็นอามันชนิดหนึ่งนะ อัลลอฮฺจะปวดประทานความอดทนที่ไหนที่หัวใจให้แก่ฉันด้วยเธอผมขอประจำนะว่าเราเป็นคนอดไหวไงนะต้องขออัลลอฮุมักฟลิกอะไรนะซาบารอนอัลลอฮฺมักฟลิกอะไรนะซาบารอนอัลลอฮฺจะปวดประทานความอดทนให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเธอก็สอนลูกๆด้วยต้องอดทนนะลูกนะต้องอดทนนะลูกนะทำได้เลยแหลอินนาซาลิกะแทจินการอดทนนะ่ะเป็นไงครับมินอัจมินอัจมุนเดวนันนัก อาสมินแปนว่านักเฮเวออุมดแปลว่างานมาจากอัมรุนอัมรอเนี่ยอุมุหมายถเป็นการงานที่แต่รงวันเยอะมากเลยอดทนครับที่อสามีภรรยาถ้าเข้าใจต้องอดทนนะมอนทะเลาะกันเลยจะพูดจะพูดดีกว่าพูดแล้วมีปัญหาอย่าพูดเงียบๆหัดิตนาบิสอนนะมันซอมาตานาจา ใครที่นิ่งเงียบเงียบนะเขาได้รับความสําเร็จเขาปลอดภัยนี่นบีพูดเอาไวนะ้แต่เราคนควบคุมอารมณ์เราได้ไหมละ่ะนี่อารมณ์ก็กลายเป็นอีลานะ่ะเป็นพระเจ้านะบางคนนี่อารมณ์นี่ไม่เคยโอโ้เดินตามอารมณ์หมดเลยไปน้องกับปัญหาก็ตามมาเยอะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับพี่น้องเอาต่อมาครับคุณอ่านอัจฉร์นี้อธิบายต่อนะกุณอ่านอธิบายกุณอ่านนมาได้อะไร อินนอฟซาลลตะตันฮาอานิลฟะชัยวัลมุกตอายะอัมกุร่อัง ก, ะ, งกะบุตอายาตีสิสิบที่ผ่านมาแล้วนี่นะแท้จริงการนมารเนี่ยยับยั้งเรื่องบาบๆเรื่องเร็วๆเรื่องชั่วๆและทุกรายการยับยั้งทั้หมดเลยฉะนั้นที่เราได้ยินมาก่อนนี่นเราก็ไม่อยากจะค้านเลยะนะอะไรนบะบ <c oughs> รัฐบาลเขาสั่งให้ลูกหลานเราเล่นฟุตบอลเนี่ยนะ ตอนเย็นๆไอ้เราก็ฮือแต่พูดไม่ได้เพราะชาวบ้านก็ฮือๆก็หมดแล้วมันต้องสอนให้เด็กน้ำมานใช่ไหมล่ะเพราะน้ำมานเนี่ยมันยับยังยาเสพติดได้อะไรได้หมดแต่ให้คนกาแฟมาบงการชีวิตเราก็เดินตามเขาเห็นไหมวันนี้เราพูดได้เพราะมันผ่านันหมดแล้วใช่ไหมแต่แถาวันนั้นน่ะผมพอใจผมไม่พอใจสอนอะไรตัวเนี่ยสอนเรื่องคุณบอล เด็กที่ไม่ติดก็ไปติดที่สถามคุณโบนะครับดันั้นถ้าจะสอนสอนต า, ตามตามตรงคัมร์อ่างไม ด, ดีหรือสอนให้เด็กติดธรรมาอะอาจารจะมีค่ายอบรมเนี่ยเพื่อจะให้ลูกเราติดธรรมะเออเราไปตา่างจังหวัดผไปเจอเนี่ย ท, ที่ที่หาดใหญ่เผมไปนรรมะที่มัสยิดไปมารีบมีเด็กหนุมน่มๆประมาณเจ็ดแปดคนเดินมาสลามสมผมถามว่าคุณคือใคร อ, อ่ะอาจารย์ทำผมก็ได้ละผมอยู่าสาหนู คุศา ส, สนาใช่ไหมพอเราฝึกนมาศที่นี่กลับไปถึงบ้านเด็กมานมาศมาสัสติดเราไปเห็นเด็กเรากําหนดมานะพอเห็นปั๊บเลยอ๋อสบายใจล้ำเลยล่ละตัวเรื่องว่าเด็กที่มาณมาศเด็กที่ผ่านศา ส, สนาทั้งหมดเราไม่ได้คุยนะจะเล่าให้ฟังนะนี่ไงประโยชน์จากการที่เราให้ลูกเราอยู่อยู่หอพักแล้วก็หอพักเขบาบังคับให้มานมาศที่มสัสติดวันละหเวลาเนี่ยมันได้อะไร ไม่ปโผล่ที่บ้านเขานะ่ยพ่อแม่เขาดีใจหลามดีเลยเหรอต่อมาเจ้าพี่น้องการเชิญชวนสู่ทำความดีรวมไปถึงมุอัดรินที่อาดานทีุ่เราด้วยนะเพไม่อ่านฮะดิษว่าคนอาดานนี่นะนบีขออุอาให้อัลลหฮุมมักฟิรลิลมูอัดรินีนอัลลอฮ์จ๋าโปรดอภัยโทษให้คนอาดานด้วย ผมก็ไม่กระจายทำไมต้องขอตัวอานาบีขอตัวอาให้คนอาจารย์พาะอา่านคำเปิดคาอธิบายพาะคนอาจารนี่ถูกตาหนิจากประชาชนเยอะบางทีบางคนจับผิดว่าตัวฮาไม่ชัดฮาา้อาเาให้ดูดูนว่าฮห้อามันต้องว่าให้อาใช่มแลม้วก็บางที อ, ลอลัลสลัดอัลสลัดูสอง อาจานก่อนเวลาถูกแดดไหมบวชเสียไหมโอ้โหทั้งหมู่บ้านเสียหมดเลยอะ่ะอาจานลังเวลาเข้ามาแล้วสิบนาทีจะรอจะรอแกบวชโอ้มู่อาจินมันยังไม่อาจานเลยเนี่ยตายจริงวิทยุบนอาจานแล้วบางคนเขาเอาเสียงอจาจานจากมัสยิดเป็นเครื่องหมายมีไหมบางคนนี่จากนั้นมู่อาจินต้องตรงเวลาเป๊ะนี่นบีขอทูอาเผื่อไว้แล้วคนอาจานจะไล่เอง โป อ, อัลลอฮฺจะอััยโทษให้คนมูอัดซินโดยเธออภัยโทษให้คนอาซาน้วยเธอนี่ความหะไรนะความความสมบู ร, รณ์ของอิสลามส่วนเป็นผู้นำคนนั่งเฉยๆไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนี่อัลลอฮฺสัง่งอัลลอฮฺจะนับอัลลบีสั่งนะให้คนที่เป็นผู้นำคนเนี่ยต้องอ่านหนังสือต้องเรียนหนังสือต้องคนกวา่าต้องฉลาดเห็นอย่างครับ น, นี่ความสมบูรณ์ของอิสลาม แคนั้นจะเป็นผู้นมคนหนังสือไม่เคยอา่านคนอานไม่เคยจับเลยอ่ะก็จะเอาความรู้มาจากไหนไปนะั่งเอาความรู้จากยิวดีมาใช้ใช่ไหมละ่ะทีงมีปัญหากันในปัจจุบันเนี่ยเอาความรู้ตายิวดีสอนทางทีวีน่ะเอามาใชา้ไม่ใช่มันต้องเอาความรู้ผ่านอัลกุรอานเนี่ยเอาม า, ชาใช้นชีวิตประจ่ามาตัวลงว่าเรื่องตับซิดอธิบายดีนะเรื่องที่หกของอาย่านี้ก็คือ การเชิญชวนสู่ความดีเนี่ยจะต้องอดทนไม่ว่าเขาจะตำหนิหรือชมก็ตามเวลาชมเนี่ยมันพองขึ้นใช่ไหมล่ะ<ช>แล้วก็ตำในมาดามว่ า, าโหใจหอเล้วทนีะแรล่ะอย่าเป็นคนแบบนี้ต้องอดทนตัวเรางานนามาดงานงานใหญ่นะเชิญชวนคนสู่ความดีเป็นงานด่าว่าอันยิ่งใหญ่นามากว่าเป็นงานด่าว่าด้วยนะแล้วก็หัดยับยั้งคนงานด่าว่า แลวกางานอดทนของทีนองดาวัตต้องอดทนอย่างสูงเอาตัวมาย่าที่สิบปดวะลาตุซัยรขัดเดคลินัสวะลาทัมชีฟีลเอร์ิมะรฮะอินนัลลอฮะลาอูฮิบุลลลมุฮตาลิมฟัคูร ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض م ر ح ا إن الله لا يحب كل مختال فخور الحمد لله Allah ك uh al ับ حنا الله นะที่ Allah เล่าเรื่องของลุกมารว่าลุกมานสอนลูกนะเรื่องที่ เรื่องที่8ลูกเอ้ยลาตุสราอิตตุสราอิตแปลว่าหันยางยะโสหันหน้าแบบกูไม่เอามึงแบบหันหน้าคือตุสราอิตนี่มาจากซัวรุนซัวรุนนี่แปลว่าโรคชนิดหนึ่งโรคคอเอียงโรคคอเอียงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นกับ คนก็มีเลยนะกับอูดก็มีเป็นชื่อโรคชนิดหนึ่งโรคคอเอียงฉะนั้นลูกมาเนี่ยสอนลูกนะเวลาอยู่กับประชาชนนั้นนะอย่าหันข้างให้กับประชาชนให้หันหน้าไม่ใช่หันไม่ใช่หันหันจะสีข้างให้แล้วก็หันหันคอให้เวลาคุยก็คุยแบบไนมะ่ค่เต็มปากเต็มคำนะนะอันนี้อย่าทํา นี่มารยาทในการคุยกับคนยิ่งคุยกับพ่อแม่คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับอิมามต้องเรสเพคให้เกียรติเขาอ่าไม่ใช่หันหน้าพูดให้ได้ยินเสียงอย่างดีไม่ให้เห็นปากบ้างอะไรบ้างนะอย่าทําลุกมานสอนลูกลูกเอ้ยจงอย่าหันแก้มของท่านจงอย่าหันแก้มของท่าน เมื่อเอาล่อเล่าให้นบีฟังก็บอกมุฮัมมัดเอ้ย <c oughs> ลูกมารสอนลูกนะท่า น, นท่านอย่าทํานะอย่าหันแก้มของท่านเนี่ยอย่างยะโสนะครับคอดดักแปลว่าแก้มลินนัสแปลว่าประชาชนคอดดักแปลว่าคอ ด, ดูแปลว่าแก้มอย่าหันแก้มของท่านอย่างยะโสจากผู้คนเอย่างครับนี่สอนเรื่องมารยาท ท่านมารยาตเนี่ยอามาจากคุณอ่านดีที่สุดไม่ใช่เดินตามยิูดีไม่ใช่เดินตามปูญาตายายไม่ใช่ในคุณอ่านสอนชัดเลยนะยาหันแก้มนะครับของท่านเนี่ยอย่างยะโสจากผู้คนนะครับเรื่องที่สองวลาตัมชีฟิลอารุดิมารห า, านี่สอนเรื่องเดินเอก นั่นการเดินเป็นาศาสนามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเดินไม่เป็นชาวนรกอะยังแค่หันแก้มเนี่ยอัลลอฮ์ยังเล่น ง, งานเลยนะแล้วก็เดินอีกเดินไม่เป็นรออักบัสไอ้เราก็พระอ่านหะ ด, ดีสก น, นึกนะนบีสอนนะเวลาออกออกจากบ้านเนี่ยอย่านุ่งอะไรนะผ้าสรลงที่เรานุ่ง ม, มาเ่มันคนพลกผ้าสรงเห็นหัวข่าว อย่าทำแล้วคนที่ติดบุหรีไ่ไหมวะสูบบุหรี่ออกจากบ้านได้ไหมปุยปุยปุยอย่าทำเองกําลังอยู่ในมัสยิดเนียดออกจากบ้านมามัสยิดยับอะไรนะเปิดผ้าให้หัวเข่าโผล่ออกมาแล้วก็มือสูบบุหรี่อีกปุยปุยคุณทําตัวในมัสยิดทําแบบนี้เหรอนี่นะบืเตือนอย่าทํานะ คนไม่อ่านนะดีสไม่พบครับพี่น้องไม่เอาสุนัขนาบีมาช้าไม่มีโอกาสได้พบเขาว่าทําตัวผิดอย่างไรแรงที่อโลมไม่พอใจเพราะอโลมให้ความรู้ผ่านนาบีมาแล้วแต่เราไม่เอาอ่าพี่น้องว่งไม่เอาก็ทําผิดหมดเลยเนี่ยฉะนั้นเวลาตทำสิจงอย่าเดินหรือว่าสัญจรฟิลอารดิบนหน้าแผ่นดินอันนี้นี่เชี่ยงเฉพาะบนหน้าแผ่นดินบปนี้นะเดินตกุโบรเรื่องเอง <laughs> เดินไปชันฟ้าเชิญแต่แผ่นดินนี่มันของอัลลอฮ์เวลาเดินเนี่ยต้องเดินแบบนั้นมารอฮาอย่าเดินแบบทะนงตนอย่าเดินแบบทะนงตนฉะนั้นการเดินมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเดินไม่เป็นรางวัลรางวัลไม่มีถ้าเดินเป็นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องของอัน พบในไฮดิสนะถ้ายิงไอชาเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งเดินชา้าเหมือนกับคนใกล้จะตายนะแต่แข็งแรงเดินพระถามว่าคนนี้เป็นอะไรเดินช้ายอย่างนี้พรบอกคนนี้มันเป็นกอรีนสมัยนู่นนะมีให้เห็นแล้วนะ สมัยนบีนะมีเห็นแล้วนะคนนี้เป็นกรอรีจึงเดินชา้าเขาเรียกว่าคนเดินวาระน่ะนะเข้าใจผิดหมดเลยนางไอ้ชาก็บอกว่าฉันเห็นไซย่าอุมัดเป็นชาวบ้านนาบีเนาะเวลาเขาเดินก็เดินวายน้าดุเลย <c oughs> แล้วซย่าอุมัดนะ่ะอ่านกูร์านดีคนนี้อีกทำไมเขาเดิน <c oughs> เขาเอาความรู้ผ่านนาบีมาเขาเดินเดินสวยอนะ่ะแล้วคนนี้เอาความรู้ผ่านใครมาแลนะ้วเนี่ยมาเดินงงอยู่เนี่ย เขาบอกนีกเองนะเป็นกอรีอันกูร์อังเห็นไมพี่น้องเนี่ยถ้าไม่เอาซุ น, นานาบีมาใชา้ในการเดินในพ่ทธองครับเราเนียเดินผิดหมดเลยถามว่านาบีเดินยังไงนี่เป็นความรู้นะในายมาอิลตินมดีดีหัดีิษพูดเรื่องอัคราบของนบีโดยเฉพาะเลยนะนบีเดินเหมือนเดินกับลงมาจากที่สูงลงมายันที่ต่ํา แค่เมื่ะเดินยันหน้านิดๆนั่นท่าเดินของท่านนบีมหามัสยิดลอร์ดมัสยิดลอร์เดินจากข้างบนลงมาเดินจากที่ที่สูงอมาที่ต่ำมาเดินยันหน้านิดๆนั่นนบีเดินแบบไหนฉะนั้นเราก็ต้องนึกเยอะอลอเดินยังไงไม่ให้อลตําหนิเราเดินงไงอย่างอลอให้เอ็กเดินทันลงต้นนะหัวใจต้องนอมน้อมต่ถทอมตนต่ออลอตลอดเวลาก็เป็นอ๋ฉะนั้นมารยาทในการเดินมีไหมมีครับ เดินช้าคนป่วยเดินไวจีมากก็ไม่ได้นบีจะเดินปานกลางนะครับค่อนข้างจะไวนิดๆแสดงถึงใครจะกล้ากับคนนบีแค่เห็นท่าเดินนบีกลัวแล้วโอ้โหอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาอันอันใหม่อีเที่ยวนะเวลาตูซอเอรขอดดากลินัส และจงอย่าหันแก้มของท่านนะครับมามาเด๋ยอย่างยะโสจากผู้คนเวลาทำซีฟิลอารดีมารหะและอย่าสัญจรหรือเดินตามแผ่นดินอย uh ่างทะนงอินนัลลอฮ่ลาอูฮิบุกุลลมุขตาลิมฟาฮูอินนัลลอฮะไมว่าแท้จริงอัลลอฮ ลาโยไฮบุบอกว่าไม่ทรงรักฮับบาโยไฮบุรักลาแต่ว่าไม่แท้จริงอลเรณะไม่รักกุลละทุกททุกๆ ก, กคนมุขตาลินผู lin, ้ที่โอหังฟะโครุนแล้วก็คุยเยอะชอบคุยคุยเรื่องรันษาคุยนั่นแหละพี่น้องคุยโวเนี่ยอรรรณะไม่ชอบนะเห่นไหม คุยให้มีรางวัลคุยยังไงคุยไม่ให้มีรางวัลก็คุยไปเถอะตะเปสบากคุยทุกเรื่องที่ผ่านมารถมาก็คุยเรื่องรถยี่ห้อนี้เป็นยังไงยังไงแต่เลาคุยคันเดียวอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่คุยใหญ่คุยโตนะมะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ไม่ชอบคนที่โอหังวางตัวตะก้าบบดเยอะยิงอย่าไปทำพี่น้องเลยอัลลอฮ์ไม่ชอบฉะนั้นถ้าเข้าใจอิสลามเข้าใจสุนนะนบีพี่น้อกับเขาจะ พูดจาก็าดีนิสัยอักราก็าดีจะเดินก็ดีพี่น้องดีหมดเลยก็เป็นอท่าไรเพราะนึกถึงรางวัลเวลาท่านพบพี่น้องของท่านเนี่ยต้องยิ้มในเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สอง ต้องระวังนะไอ้ผ้าที่เรานุ่งอยู่เนี่ยอย่าให้นุ่งผ้าต่ำกว่าตาตุม่มให้เลยถือของหน้าแข่งไปนี่ทำยากหน่อโอ้ํายากถ้าไม่ถูกอบรมมานะไม่มีสิทธิ์แล้วนะ่ะนุ่งผ้าเลยตาตุ่มเนี่ยยิง่งครึ่งหน้าแข่งเนี่ยโอ้โหหนักต้องพานอบรมอบรมเตือนเตือนตือนเตือ น, นแล้วก็นุ่งผ้าเนี่ยนะ อไอนะ้ใต้ไรนะใต้ตะตูมเนี่ยผ้าสระไอผ้านะผ้ า, าสมารินได้นะโอ้โห้วลาเดินนี่นะเราเห็นเยอะนะพวกสา บ, บัญข้างบนเาไอ้คนเดินมาเพียร น, นี่นะจำนวนใครนะเล่าให้รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่านฮัดดิบทนี้ก็ได้ข้อที่สามนะครับพี่นะ้องเนี่ยเสื้อผ้าแต่งตัวนะม่เยอะสองสองเรื่องนะหนึ่งเวลาพบคนให้ไรให้ยิ้มเรื่องที่สองอะไรนะ นุ่งผ้าอย่านุ่งผ้าต่ำกว่าตาตูงงานหนักครับกระน้องพองานทั้งหมดเหล่านี้เป็นงานหญิงโยสซทั้งหมดเลยนะถึงจะมีคุณสะอาดก็เอถอะฉันนี่ไม่ได้เนียร์ตะครับหมดเลยมาเรื่องของครัวจะเอลเอาล่อห้ามนาบีห้ามพยาทำตามนาบีนะครับ เ, รเอาต่อมาครับอือายะที่เท่าไหร่นะายาสุดท้าย ก่อนยันสุท้าก็มีฮะดีส์บทหนึ่งของท่านนบีนะครับนบีสอนอย่างนี้อบูจากอบูยัตนะครับได้บันทึกฮะดีสมาบอกว่าฉันได้ยินท่านสุลล่าพูดบอกว่าซาลาสตุลยัชนาอุมุลลอมีคนอยู่สามประเภทที่อัลลอ์นี่นะรังเกียดอืที่อัลลอ์รังเกียต ข้อที่หนึ่งอัลฟาคีรุลมุขตาลคนจนที่คนจนด้วยนะแล้วก็ชอบหลอกโกหกเยอะพูดโกหกตลอดแล้ว <c oughs> อย่าทำนะเป็น <c oughs> คนจนด้วยนะเราทดสอบไม่จนนะผมจนคนจนเราให้ไปสวรรค์หม ด, ดแล้วถ้ามีศาสนานที่เดียวนะแต่รีพูจาไม่ไมก่ถทาเก้าทา ง, ข, ทางข้อที่สองอัลบาคีลอัลมา น, นานขีเหนียวด้วยแล้วก็ตำหนิคนด้วย คนที่มีเงินมีทองเนี่ย น, ยนตะครับปกตนีขี้เหนียวอน่เอาลอไม่ชอบนะันที่สมคนค้าขายที่ตลาดเนี่ยขายไปสาบานไปสินค้าฉันนะโอ้โหชั้นหนึ่งเลยนะดีเลยนะชั้นเนี่ยกระทำราคาเจ้าไร่กระามต้นทุนเขาโอ้ฉันซื้อมาเนี่ยแพงแปบาทฉันขาด8บาทห้ิบก็หกมาเลยอ่ะกเนี้ยการค้าขายระวังนะคนค้าคน ข, า, คนขายมีโอกาสได้ไปสาวรรค์สูงถ้า ไม่ชอบสาบานถ้าสาบานเยอะๆเนี่ยอรอก็จะชอบด้วยนะครับเอาต่อมาอายที่สิบครับวะก็เสดฟีมัชยิกวะก็ดูดมิ้นซาอติกอินอันคาร์ลอาสวาติลาซาตุลฮามีรวะก็เสดฟีมัชยิกวะก็ดูดมิ้นซาอติก อินนักรอเสียงที่เสียงุลพิมพ์ตูนตีตูนตีเสียงที่ตูนนะตูนนะโอเคอินนักรอเสียงที่เสียงุลพิมี์วักก็ิดคำแปลก็คือ จงเขาว่าจงระวังหรือว่าจงสังเวียนจงระวังจงสังวียีในมัชยิกในการเดินของท่านจงระวังตัวให้ดีในการเดินเห็นไ้มพอเดินเป็นทำให้เราไปสวรรค์ได้กันเดินอย่างเดียวนี่น่ะนี่อัลล์นี่ให้ความรู้ผ่านอบีมเล่าว่าลูกมาสอนลูก ฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีในการเดินอลลัลลอฮฺคายสอจงระวังตัวให้ดีจงอะไรนะจงสังวร น, นะครับในการสัญจรของท่านมามัดเ อ, อ้ยจงสั ง, สงวีนให้ดีนะระวังนะสังนบีนะทำมนนบีจะกล้าทรยศ์ไม่หลัะ แค่นั้นคนที่อ่านกุนอูอานวันนี้อลัลลอฮฺสั่งเองต้องเดินให้ระวังตัวให้นะทุกครั้งที่เดินมานะจะไปไหนมาไหนต้องนึกนะเดินยังไงให้มีรางวัลตอบแทนจาก อ, าอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเอาต่อมาเรื่องที่2วากูดูดมิวซาวติกจงให้อ่อนโยนจงจงจงสุภาพ ซาอูดติคไหมว่าเสียงเขาได้เสียงของท่านเวลาคุยกับคนต้องมีรางวัลด้วยนะคุยยังไงคุยอย่างอ่อนโยนสงบระเงียมไม่ใค่คุยเสียงดังคุยยังไงนะคุยแบบอารม์ดีๆแค่เดินกับชายกับชายเสียงทำยังไงให้ไปสวรรค์ให้ได้ อิสลามเนี่ยยังคับกำกับชีวิตเราทุกทุกทุกนาทีเลยเนี่ยให้ยังครับฉันถ้าเข้าใจกุญญานอย่างเดียวเนี่ยเลาภาษาที่พูดก็ต้องระวังถ้าเดินก็ต้องระวังนุ่งผ้าก็ต้องระวังใหนยังนนเดี๋ย ว, ยวพูดกับสายตาอยู่สายตาก็ต้องระวังเองเองควรจะมองอะไรบ้างวันวันยังไงเพราะเราให้คะแนนหมดเลยนะแค่มองของห่ารอก็มีบาป มองของฮาลาลมีรางวัล น, นุ่งผ้าก็มีรางวัลใช้เสียงก็มีรางวัลถ้าเดินก็มีรางวัลคำดุริเลนี่อิสลามความสมบรูรณ์ของอิสลามยิ่งใหญ่มากกับพี่น้องจากนั้นจงลดเสียงให้อ่อนลงนะอย่าคุยตระกูลเสียงดังนะข้อที่สอินนังการอลอสวาอัมคาดแปลว่าน่าเกลียด มุงกัดนะมุงกัดเสียงที่น่าเกียดยิ่งอสวรตแว่าเสียงเสียงที่น่าเกียดยิ่งคือเสียงอะไรครับลาซาตุนคือเสียงฮามีรุนแปลว่าดองกี้ลาแท้จริงเสียงที่รังเกียจที่น่ารังเกียจที่สุดอัลลอฮ์เอาสัตว์มามาเป็นวัทาหอนเสียงลานะอุบิลลาฮิมินซัลิกะพีน้อง ที่นี่มีกลุ่มาบางคนอธิบายว่ารูปเบาเสียงลาเนี่ยที่มันร้องมาเนี่ยร้อง ย, ยังไงเราก็ไม่รู้นะก็ได้ยินประจํำนย่าง น, นะเสียงลาเนี่ยเป็นเสียงที่น่าเกียดร่วมันมันขอละอาเสียงของลาเป็นการขอละอาของคนตะ ก, กบโถให้ชิบหายนี่เห็นยังครับเพราะศึกษาไปอ่านไปอัลลอฮฺอักุบะตาจิงที่นี่บัรลาบารรเลาไม่มีนะ ปรยู่ในอินเดียเนี่ยเยอะในอาหรับนี่เยอะมากแล้วเสียงลาเป็นการเสียงการขอดุดาจากอัลลอฮ์ให้ทำลายคนที่ตะกั บ, บทเยอะหญิงจองหง่วงให้พบกับความพินาศในชีวิตครับเป็นอย่างครับอิสลามครับฉะนั้นวั ก, กสิณเ ฟ, ฟีมาชีกจงสัญจร น, นะครับจงสังวีนในการสัญจร น, นะจงระวังตัวให้ดีนะ การเดินมีศาสนานะเป็นศาสนาด้วยนะม่ใช่เดินแบบไหนก็ได้ตรงเรียนนะวันที่สองว่าหลวดูจะมีเสาวติกจงลดเสียงให้อ่อนลงอย่าพูดแข็งกระด้างอ่าแท้จริงเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือเสียงร้องของของของลาห้องลี้าเียนเก่กับไนมิมามเขาเรียกคอิมามบุคฮารีนะครับนะครับ กิตาบุริบาสนะครับอนุญาตให้ใช้เสื้อผ้าอาอาพรราคาแพงๆได้เสื้อผ้าที่เราซื้อมาซื้อมาใช้น่ะราคาแพงได้ไหมได้แต่ตอนใส่ต้องมาตะกบุดต่ตอนใส่ชุดน่ะชุดสวยๆน่ะกรรุนเอาเอาเอาเอาไปชาในสมัยนู้นแล้วพอใส่เที่นี่ตะกำบุรเยอะยิงกู้เนี่ยดีกว่าคนอื่นทั้งหมด แล้วก็ขีอะไรนะขีสัตว์ของอัลลอฮ์ที่ให้มาเนี่ยนะแล้วก็เ ย, อย่อหยิงจองใจมันนึก์ทะนงตนเนี่ยนะเห็นยังครับแต่ต่อมาอัลลอฮ์มันไส้ให้นบีมูซามาสอนสอนไม่เชื่อผลสุดท้ายให้ผันตีนทําไงสู่ไอ้ไมพข้อตะกะบุตรนี่แหละอีกขันตีนหนึ่งนบีศออย่างนี้นะครับพระใหญ่คุรานนะครับอย่าเดินช้าทีละก้าวเท้ก้า 9, เหมือนคนป่วยอย่าเดินอย่างนั้นนะคนป่วยยกเว้นนะ และอย่าเดินไว้จงหน้าเกลียดฉะนั้นเดินปานกลางดีที่สุดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่อนะัลกุรอานอธิบายอย่างนี้ครับคุรอานอธิบายคุรอ่านนะวาอิบาดุลราะห์มานุลลาีนัยมชูนอัลลอฮอรดฮาวูนะบาวที่ดีของของอัลลอ์เนี่ยนะของราะห์มานเนี่ยเขาเนี่ยนะเวลาเขาเดินเนี่ยเขาเดินแบบไรนะแบบสงบสงี่ยมบนหน้าแผ่นดินของอัลลอ์อัลลอฮปนครับ แต่พรอานอธิบายตัวไปอีกถ้าเดินแบบตะกร้าโบยเย่อหยิงจงองหงวันดาตัมซิฟิลอารดีมารหะอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างเย่อหยิงอินนากัลันตัครุกอลอรารบอแท้จริงคุณเดินแบบเย่อหยิงจองหองไม่สามารถแยกแผ่นดินได้วันลันตัมลูกบลจิบอลตูวละแล้วก็ไม่สามารถทําให้คุณสูงถึงภูเขาได้แค่นั้น ธรรมดาหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลนึกถึงศูนหน้าท่านนดีนึงถึงซาบะไซนาอุมัสนะเขาเดินยังไงล้กก็ตานี่อย่าไปซ้ายขวาเดินผ่านกมองว่าอ๋นี่สดงว่าสอนจะรับสอนดีนะเอามือแทงลูกตาเขาเนี่ยไม่บาป้วยจ้องมองเขาไปในห้องของเขาในบ้านของเขาเดินอยู่ข้างนอกตามองไปบ้านคนน ก็มีต้องตัวระวังท่านมุสลิมนี่ยเราสอนหมดเลยนะนุ่งผ้าก็สอนโดนเดินก็สอนใช้ภาษาก็สอนอ้าสุดท้ายพี่รองครับท่านลุกมารนี่ท่านลุกมานหรือท่านฮัสซันฮุเซนหลานนบีถามไยนาอรีถามพ่อพ่อจ๋าปูเราเนีนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาอยู่กับประชาชนนี่นิสัยเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนิสัยนาลีเล่านะหท่านนบีเป็นยังไง ดาอิมุลบาชัดเป็นคนอารมณ์ดีนี่ชีวิตของนบีพี่ น, น้องที่ผมน่ามาเนะพื่อให้เราเรียนแบบบ้างนะข้อที่สองซาลุลโคลบนบีมีนิสัยเรียบง่ายมันจะ ว, วางตัวเยอะนะอันที่สามไลนุลจานิบออนโยนอันที่สีไลซา บ, บีฟา ล, ลินนบีไม่เคยหยาบคายกับใคร หยาบคายแข็งแขงกระด้ไม่มีครับเวลาวกรธรุนแล้วก็ไม่เคยเหี้มโหดกับใครเวลาซอกาฟิลอัสวางแล้วก็ไม่เคยพูดตะโกนเสียงดังตามตลาดนาบีไปตลาดไหมไปจ่ายชอปปิ้งเองอะไรเองครับพี่น้องแต่ไม่เคยพูดตะโกนเสียงดังที่ตลาดเวลาฟาฮาสนาบีไม่เคยหยาบช้าอ๋โอโละังครับต่อมาครับเวลาอายา่าไม่เคยพูดตําหนิคน ไอ้ข้อนี้เราพลาดเยอะนะแล้วนะพ่อชูตำแหน่งก็นั้นตำแหน่งก็นี้ผมมันมาเออเจ้าของมันมานี่เราบาอย่างแรงเลยเนี่ยเราต่อมาครับเวลามัชชานาบีไม่เคยขิดเหนียวเรื่องตาลีขี้เหนียว น, น, ยวนบีไม่เคยนี่ท่านอาลีเล่าให้ลูกตัวเองฟังว่านิสัยของปูขง่ของของลูกนะนะเป็นนิสัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ คุณพ่อเนี่นะไซนาลีเล่าให้ลูกฟังว่านาบีไม่ทํามสามสมรายการนาบีไม่เคยทําเลยนะข้อที่หนึ่งไม่เคยทะเลาะกับคนนี่ต้องจำมาเลยนะเราจะต้องไม่ทะเลาะกับคนนะครับข้อที่สองเราจะไม่นั่งเตะท่าเยื่ยยิงจองหอบอย่าทำเพราะนาบีไม่เคยทําอันที่สามนะครับเรื่องไร้สาระ คือพูด ง, ง่ายๆเรื่องที่ทาแล้วไม่มีรางวัลตอบแทนในโลกอาคีรอเนบจะไม่ทาฉะนั้นยิ้มแล้วก็ให้สาลามีมรางวัลไมในอาคร อ, อเดินมีรางวัลตอบแทนอัรพูดต้องนึกมันมีรางวัลตอบแทนจเาหนั่นตวามนึกเรื่องนี้เรื่อง อ, ى, อาคีรอาคร ล, ลับสุานลลอฮุมวะบฮามดีกะัลอิลอิลลาอันตะอัตักกะวะอั ส ل ى ลัลอ على ยมุ hammad و ل ي ه وصحبه أجمعين